สาระสำคัญของสติปัฏฐานจากใจความย่อของสติปัฏฐานที่แสดงเวลานั้นจะเห็นว่าสติปัฏฐานรวมทั้งวิปัสนาด้วยไม่ใช่หลักการที่จำกัดว่าจะต้องปลีกตัวหลบลี้ไปนั่งปฏิบัติอยู่นอกสังคมหรือจำเพาะในการเวลาตอนใดตอนหนึ่งโดยเหตุนี้จึงมีการสนับสนุน ให้นํามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันทั่วไปว่าโดยสาวราสำคัญสติประธานสี่บอกให้ทราบว่าชีวิตของเรานี้มีจุดที่ควรใช้สติคอยกํากับดูแลทั้งหมดเพียงสี่แห่งเท่า น, นั้นเองคือร่างกายและพฤติกรรมของมันหนึ่งเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ต่างๆหนึ่ง ภาวะจิต ท, ที่เป็นไปต่างๆหนึ่งความคิดนึกไตรตรองหนึ่งถ้าดำเนินชีวิตโดยมีสติคุ้มครองณจุดทั้งสี่นี้แล้วก็จะช่วยให้เป็นอยู่อย่างปลอดภัยไร้ทุกมีความสุขผ่องใสและเป็นปฏิปทานนำไปสู่ความรู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่ข้อความในคำแสดงสติปทานแต่ละข้อข้างต้น จะเห็นได้ว่าในเวลาปฏิบัตินั้นไม่ใช่ใช้สติเพียงอย่างเดียวแต่มีธรรมะข้ออื่นๆควบอยู่ด้วยธรรมะที่ไม่บ่งถึงไว้ก็คือสมาธิซึ่งจะมีอยู่ด้วยอย่างน้อยในขั้นอ่อนๆพอใช้สำหรับการนี้เรียกว่าวิปัสสนาสมาธิอยู่ในระดับระหว่างคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะ กับอุปจารสามาธิสมาธิที่จวนจะแน่วแน่ส่วนธรรมะที่ระบุไว้ด้วยเป็นประจำได้แก่หนึ่งอาตาปีมีความเพียรได้แก่องค์มรรคข้อหคือสัมมาวายามะซึ่งหมายถึงเพียรระวังและเพียรละความชั่วกับเพียรสร้าง และเพียงรักษาเสริมทวีความดี 2. สัมปชานุมีสัมปชัญญะคือปัญญา 3. สติมามีสติหมายถึงสตินี้เองข้อพึงสังเกต คือสัมปชานซึ่งแปลว่ามีสัมปัชัญญะจะเห็นว่าสัมปัชัญญะคือปัญญานี้เป็นธรรมะที่มักปรากฏคู่กับสติสำหรับที่นี่คือบอกว่าการฝึกในเรื่องสตินี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาปัญญานั่นเองสัมปัชัญญะหรือปัญญาก็คือ ความรู้ความเข้าใจระนักชัดในสิ่งที่สติกำหนดไว้นั้นหรือต่อการกระทำในกรณีนั้นว่ามีความมุ่งหมายอย่างไรสิ่งที่ทำนั้นเป็นอย่างไรพึงปฏิบัติต่อมันอย่างไรและไม่เกิดความหลงหรือความเข้าใจผิดใดๆขึ้นมาในกรณีนั้นๆข้อความต่อไปที่ว่า ปลอดร้ายอภพิชชาและโทมนัสในโลกแสดงถึงท่าทีที่เป็นผลจากการมีสติสัมปชัญญะว่าเป็นกลางเป็นอิสระไม่ถูกกิเลสผูกพันทั้งในแง่ติดใจยอยากได้และขัดเคืองเสียใจในกรณีนั้นๆข้อความต่อท้ายเหมือนเหมือนกันของทุกข้อที่ว่ามองเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไป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 เข้าไปสวมใส่ให้มันว่าเป็นคนเป็นตัวตนเป็นเขาเป็นเราหรือกายของเราเป็นต้นท่าทางอย่างนี้จึงเป็นท่าทีของความเป็นอิสระไม่อิงอาศัยคือไม่ขึ้นต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เป็นปัจจัยภายนอกและไม่ยึดมั่นสิ่งต่างๆในโลกด้วยตัณหาอุปาทาน เพื่อให้มองเห็นเนื้อความชัดเจนยิ่งขึ้นขอยกคำบาลีที่สำคัญมาแปล ى, และแสดงความหมายไว้โดยย่อ ด, ดังนี้กายเยกายานุปัสสีแปลว่าพิจารณาเห็นกายในกายนี้เป็นคำแปลตามแบบที่คุ้นคุ้นกันซึงต้องระวังความเข้าใจไม่ให้เขว แต่ก็พึงเห็นใจท่านที่พยายามแปลขั้นมาเพราะบางคำบางข้อความนั้นจะหาถ้อยคำที่สื่อความหมายให้ตรงและชัดได้แสนยากความหมายของข้อความนี้ก็คือมองเห็นโดยรู้ข้าใจทันความจริงทุกขณะหรือตลอดเวลาเห็นกายในกายคือมองเห็นในกายว่าเป็นกายหมายความว่ามองเห็นกายตามสภาวะ ซึ่งเป็นที่ประชุมหรือประกอบกันเข้าแห่งส่วนประกอบคืออวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆเห็นตรงความจริงและเห็นแค่ที่เป็นจริงไม่ใช่มองเห็นกายเป็นเขาเป็นเราเป็นเนนั่นนางนี่เป็นของชั้นของคนนั้นคนนี้หรือในผมในขนในหน้าตาเห็นเป็นชายนั้นหญิงนี้เป็นต้นเป็นอันว่า ตรงตามความจริงตรงตามสภาวะให้สิ่งที่ดูตรงกันกับสิ่งที่เห็นคือดูกายก็เห็นกายไม่ใช่ดูกายพลายไปเห็นในกอบ้างดูกายพลายไปเห็นคนช่างบ้างดูกายพลายเห็นเป็นของชอบอยากชมบ้างเป็นต้นเข้าคติคําของโบราณอาจารย์ว่าสิ่งที่ดู มองไม่เห็นไพล่ไปเห็นสิ่งที่ไม่ได้ดูเมื่อไม่เห็นก็หลงติดกับเมื่อติดอยู่ก็พ้นไปไม่ได้ข้อความว่ากายในกายนี้อรรกถาอธิบายไว้ถึงสี่ถึงห้านัยยะโดยเฉพาะชีถึงความมุ่งหมายเช่นให้กำหนดโดยไม่สับสนกัน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 อาตาปีสัมมักปชาโนสติมาแปลว่ามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติได้แก่มีสัมมาวายามะสัมมาทิทฐิและสัมมาสติซึ่งเป็นองค์มรรคประจำสามข้อที่ต้องใช้ควบไปด้วยกันเสมอในการจเจริญองค์มรรคทั้งหลายทุกข้อ ความเพียรคอยหนุนเร้าจิตมิให้ย่อท้อหนหูมิให้รีรอล้าหรือถอยหลังจึงไม่เปิดช่องให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นแต่เป็นแรงเร่งให้จิตเดินรุดหน้าไปหนุนให้กุศลรธรรมต่างๆเจริญยิ่งขึ้นสัมปัชัญญะคือปัญญาที่พิจารณาแลรู้เท่าทันอารมณ์ที่สติกำหนดทาให้ไม่ลหลงไหลไปได้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 กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้คือปลอดร้ายความยินดียินร้ายชอบชังหมายความว่าเมื่อปฏิบัติเช่นนี้จิตใจก็ปลอดโปร่งพองใสไม่มีทั้งความติดใจอยากได้และความขัดใจเสียใจเข้ามาครอบงำรบกวนอัธิกา ย, ยติวาปรญสะสติ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 มีกายเป็นกายไม่ใช่เลยไปเป็นสัตว์บุคคลหญิงชายตัวตนของตนของเขาของใครเป็นต้นทั้งนี้เพียงเพื่อเป็นความรู้และสำหรับใช้ระลึกคือเพื่อเจริญสติสัมปชัญญะหรือเพื่อให้สติปัญญาเจริญเพิ่มพูนมีใจเพื่อจะคิดฟุ้งเฟอ้อละเมือฝันปรุงแต่งฟ้ามเฟือไปแม้ในเวทนาจิตละธรรม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 น่าจะกินจิโลเกอุปาทิยติแปล ว, ว่าอีกทั้งไม่ถือมั่นอะไระไรในโลกคือไม่ยึดติดถือมั่นสิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณว่าเป็นอัตตาหรืออัตตานิยาเช่นว่าเป็นตัวตนเป็นของตนเป็นตน ชัตังวาพระหิทธาวาแปลว่าภายในบ้างภายนอกบ้างข้อความนี้อาจารย์หลายท่านอธิบายกันไปต่างๆแต่มติของอัทธกถาทั้งหลายลงกันว่าภายในหมายถึงของตนเองภายนอกคือของผู้อื่นมติของอัทธกฐานี้สอดคล้องกับบาลี แห่งพระอภิธรรมปิดกซึ่งขยายความไว้ชัดแจ้งเช่นว่าภิกษุตามเห็นจิตในจิตภายนอกอยู่อย่างไรในข้อนี้ภิกษุเมื่อจิตของผู้นั้นมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตของผู้นั้นมีราคะจากอาภิธรรมปิดกวิพังพึงสังเกตว่า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 เรื่องนี้ขอให้เข้าใจเพียงง่ายๆว่าท่านมุงให้เราใช้สติกับสิ่งทั้งหลายทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วรู้เท่าทันแค่ที่มันเป็นเป็นการแน่นอนว่าในชีวิตประจาวันเราจะต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆเมื่อเราเกี่ยวข้องกับเขาก็พึงเกี่ยวข้องโดยมีสติรู้เขาตามที่เขาเป็นและตามที่ประจักษ์แกเราเท่านั้น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 อาจพูดสรุปได้แนวหนึ่งว่าการเจริญสติปัฏฐานคือการเป็นอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งทำให้ภาพตัวตนที่จิตอวิชชาปั้นแต่งไม่มีช่องที่จะแทรกตัวเข้ามาในความคิดแล้วก่อปัญหาขึ้นได้การปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานนี้นักศึกษาฝ่ายตะวันตกบางท่านตัวอย่างจากบู d ิซ i s m t h e l e g i ขอ of a n a l y s i ส